ใครจะคุยกับหลวงพ่อยกมือเลยนะนี่ยกก่อนอหนูไม่ได้มาตั้งนานแล้ว่นะคะสองสามเดือนถึงจะได้มากราบหลวงพ่อทีนึ่งการทํามันก็มีขึ้นๆลงๆหนูก็เลยจะยกยกใหม่หนูก็เลยจะขอกับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่หนูทําอยู่ยังถูกต้องอยู่ใช่ไหมดีแล้วดูเลยด้วยอย่าขี้เกียจก็แล้วกันก็แต่ว่ามันจะมีช่วง่วงมากเลยค่ะเวลาเดินจงกรมอะค่ะ ก็ง่วงแล้วก็จะนอนเลยมันมันต้องดูนะว่ามันสมควรนอนก็นอนไม่ใช่ว่าต้องไม่นอนแต่ถ้ากิเลสมันชวนนอนอย่าไปเชื่อมันอะยหน่อยได้นอนนานไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าที่ยังทำอยู่ก็ใช้ใช้ได้อย่างนี้เนี้ยดูถ้าเห็นกิเลสเกิดบ่อยๆใช้ได้นะ้างั้ั พอดีเอากันบ้านมาส่งนะคะก็ะรคราวที่จากคราวที่แล้วหลวงพ่อเนียให้ให้เริ่มดูว่าใจมันวิ่งไปได้เองใช่ไหมคะก็คิดว่าเริ่มสังเกตเห็นนะคะว่ามันเวลาเจออะไรเข้ามามันก็จะวิ่งปุ๊บไปวิ่งปุ๊บ อ, ออกไปะคะ่ะกานี้ก็เลยอยากจะให้หลวงพอ่อแ น, น, นะนํานิดนึงค่ะว่าต้องทํายังไงต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ดูเรื่อยๆไปนะแล้วสังเกตดูเวลามันวิ่งไปเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยมันถึงจะเกิดกุศลอกุศลขึ้นมามช่ไ ถ้ามันวิ่งไปแล้วเรารู้ทันนะ่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคําว่ารู้ทันนี่หมายความว่าส่วนใหญ่คือมันเกิดขึ้นแล้วเกิด ข, ขึ้นแล้วแล้วถ้อยรู้<ม>เอานะแต่ไม่ใช่เกิดไปนานแล้วนะถึงจะไปรู้อย่างเมื่อวานนี้กโกรธวันนี้รู้ย่งนใช่ไม่ได้อแต่ถ้ามันกโกรธมาหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ทันหายนะระลึกขึ้นได้ว่ากโกรธอย่างนี้ใช่ได้อืมค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงค่ะว่าตควรจะทําสมถะยังไงหรือเปล่าคะ เพราะว่าปกติเป็นคนทำงานค่อนข้างชั่วโมงยาวต่อวันนะคะถ้าทำชั่วโมงยาวแล้วงานนันต้องใช้ความคิดเนี่ยถ้าไปทำสมามมันมกักจะเคลิมๆไปมันไม่มีแรงหรอกนั้นเราทำสมาธแบบหลับยากหน่อยสวดมนต์ไหวพระาสวดมนต์นะสวดมนต์ไปแล้วเราก็คอยรู้ทันใจของเราไป ส, ส่วนแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเลยสวนแล้วใจเราซึมๆเผลอๆเรารู้ทันเลย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 นี้เราก็ค่อยรู้เป็นคราวๆไปในขั้นนี้เราก็จะเห็นว่าพอเรามีสติตันหาดับความทุกข์ก็ดับแต่ถ้าเราภาวนามากกว่านี้นะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งหรือเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเนะี่ยตันหาจะไม่เกิดตอนนี้ยังเป็นขั้นที่ตันหายังเกิดอยู่อก็คือค่อยรู้ลงไปเรื่อยๆคอยรู้ลงไปเรื่อ ย, อ ย, อยๆแต่รู้สบายๆอย่าจริงจังเกิน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 แล้วคำพูดของหลวงพ่อแต่ละคำแต่ละประโยคมันจะเข้าสู่ใจมันจะซาบซึ้งถึงอกถึงใจนะไปฟังธรรมะอย่างอื่นจะไม่อรเรอร่อยอีกต่อไปแล้วจืดจืดไปหมดเลยแต่ถ้าใจเราปิดเนี่ยฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องใจปิดเช่นพอฟังหลวงพ่อบอกอย่างนี้ก็คิดเปรียบเทียบเลยอาจารย์นั้นว่าอย่างนี้เจียนนี้ว่าง้นนะหลวงพ่อว่าอย่างนี้หลวงแม่ว่างนนะคิดไปเรื่อย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 เจ้าสำนักใหญ่อยู่หกลทัทธิแล้วพระเจ้าขึ้นมานี่ไม่ได้ทําให้ลทัทธิอื่นล่มลงไปเขาก็ยังอยู่ของเขาได้อย่างอาจารย์สันชัยปริพาชกพวกนี้พวกนักปรัชญาสานักปริพาชกนี่พวกนักปรัชญาชอบถกเถียงใช้เหตุใช้ผลใช้ตรร ก, กะเขาเรียนนะเรียนตรรกวิทยาพระเจ้าถึงสอนในกาลมาสุว่าอย่าเชื่อตรร ก, กะเนี่ยภาษาลิบุตรก็เ ค, เคยเป็นลูกศิษย์เขา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 คนโง่จํานวนมากจะมาหาเรานี่เอามวลชนนะเอาแมสส์งั้นจริงๆคนที่จะเข้าถึงศาสนาพุทธจริงๆมีไม่มากหรอกเพราะศาสศนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้พึ่งตัวเองคนส่วนมากจะไม่พึ่งตัวเองอะ่ะเพราะเราเคยชินตอนเล็กๆเราก็พึ่งพ่อพึ่งแม่ใช่ไหมต่อมาก็พึ่งอาจารย์พึ่งครูพึ่งเพื่อนเนี่ย บางคนก็พึ่งเมียนะย่างนี้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแข็งแรงกว่าผู้ชายเยอะบางคหลายบ้านผู้ผู้ชายเลี้ยงลูกก็มีนะผู้หญิงไปทำงานทำงานได้เก่งอันนี้แล้วแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันเนี่ยคนมันต่างๆนานานนะไม่ใช่คนจะเข้าใจศาสนาพุทธได้ทุกคนหรอกคนส่วนมากไม่ชอบพึ่งตัวเองศา ส, สนาพุทธให้พึ่งตัวเอง ศา ส, สนาพุทธให้ใช้เหตุผลไม่ใช่พึ่งตัวเองแบบบัวแบบควายเอาแรงเข้าแลกสอนให้ใช้สติสอนให้ใช้ปัญญาสติเราก็ไม่รู้จักปัญญาเราก็ไม่มีเราไปคิดว่าความฟุ้งซ่านคือปัญญาเราคิดว่าการคิดคิดคิดเอา น, นั่นแหละปัญญาปัญญาจริงๆไม่ได้เกิดจากการคิดเราเองไม่ได้เกิดจากการฟังการอ่าน อันนั้นมนันปัญญาของคนอื่นปัญญาจากการฟังการอ่านมันความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ของเราปัญญาจากการคิดก็ไม่ใช่ปัญญามีคิดเอาเองคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้แล้วส่วนมากชอบคิดผิดเพราะโดยพื้นฐานเราจะมีมีทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิครับงาคิดยังไงก็มักจะผิดนะครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ไว้จาไปอีกอย่างนะมีนะบางคนมาฟังหลวงพ่อ หลวงพ่อว่าพระโสดาบันละสักยัติทิฏฐิได้พระนาคาพระราหันเนี่ยละความยึดถือได้ละอุปาทานพระโสดาเห็นว่ากายกใจไม่ใช่เราพาระรหันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเอาไปเล่าเพื่อนต่อยนะหลวงพ่อสอนว่าพระโสดาบันเห็นว่ากายไม่ใช่เราขั้นสูงสูงขึ้นไปถึงจะไปละอย่างอื่นว่าไม่ใช่เราอะไรเงี้ยนใจใจมันทรงธรรมมากไว้ไม่ได้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 คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญญาคนส่วนใหญ่ไม่อดทนที่จะตามสังเกตโดยเฉพาะตัวเองเป็นสิ่งที่สนใจน้อยที่สุดมันเป็นปมด้อยของมนุษย์นะเป็นจุดอ่อนอย่างร้การเลยเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราสนใจตัวเองน้อยที่สุดเลยใช่มดูเราก็ต้องดูสาวให้ก่อนใช่ก่อนจะดูหน้าตัวเองฟังเราก็ฟังคนอื่นคิดเราก็ชอบคิดเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยสนใจคนอื่น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 เจะเจอพระอิศวนตัวจริงผู้ยิ่งใหญ่ใจที่มันพ้นนั่นเองพ้นจากกิเลสตัณหาครอบงําใจที่มันเป็นอิสระเป็นใหญ่ในตัวเองนจิตมันใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่ด้วยมานาอัตตานะนใหญ่เพราะความไม่ถือมั่นถือมั่นอะไรทั้งปวงจิตกว้างขวางเต็มโลกธาตุจิตของเราแคบแคบ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 บางทีนะักคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาหรือได้อยู่กับคนนี้จะมีความสุขน ะ, อะเออพออยู่จริงๆก็งั้นๆนะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องถามกันลับหลังเป็นมารยาทที่ผู้ชายเขาจะไม่พูดต่อหน้าภรรยาแต่ละคนนะมันจะหวังอะไรลมๆแรงๆหลอกลวงตัวเองไปเรื่อยๆอย่างผู้หญิงอะ่ะมีแฟนนะหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเห็นผู้หญิงมันจะที้ระแวงที้ระวังจะสังเกตเห็น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 ก็เลยรู้สึกว่าเออกิเลสนี่มันมาหลายรูปแบบบางครั้งมันมาในแง่ที่หลอกให้เราว่าเราทําแล้วอย่างนี้ดีค่ะกิเลสหวังดีกิเลสมาในมาสของผู้หวังดีนะเช่นกินข้าวเย็นเถอะนะจะได้มีกําลังนะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะไปจะอายุสั้นภาวนาไม่ถึงที่สุดนนอนเถอะนอนนะถ้าไม่ยอมนอนเลยเดินลูกเดียวเนี่ยเขาเรียกอัตตะกิลมัทฐานุโยก น่มันสอนดีนะสอนได้เด็ดขาดมากเลยเวลานอนภาวนานะตามสถติมันมีคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่น้อยที่สุดเป็นอิริยาบถ ท, ที่ประสบความสำเร็จน้อยเพราะงั้นเราต้องใจเข้มแข็งนะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนอย่าเพิ่งไปรีบนอ น, นถ้าเวลามันอยากนั่งนั่งนะเวลามันอยากเดินเดินแต่เวลามันอยากนอน น, นั่งไว้หรือไม่ก็เดินไว้อย่าไปให้มันหลอก ถ้านอนเขาไม่เรียกว่าภาวนาเขาเรียกภาวานอน <laughs> เวลานั่งเนี่ยจะมีภาวะหนึ่งบางครั้งจิตรวมแล้วแล้วเรามองลงไปตัวหายไปเลย <c oughs> แต่เรา ร, รู้รู้อยู่ที่ลมอะค่ะไม่ทราบว่ามันเป็นสมถ <c oughs> ะหรือเป็นอะไรที่ทำอยู่มันยังเพ่งอยู่ <c oughs> ใจยังนิ่งนิ่งแข็งแข็งอยู่ <c oughs> รู้สึกไหม <c oughs> มีอยู่นิ่งนิ่งอยู่ตัวนึงนั่นแหละเลิกซะตัวนั้นหละทำให้เดินปัญญาต่อไม่ได้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 งั้นอย่าปิดเกาะหลักอันนี้ไวนะ้เว้นแต่ว่าจิตใจของเราฟุ้งซ่านต้องการพักทอนทำความสงบทำความสงบลงนิ่มๆสบายๆนะมันจะไม่มีหลักที่แข็งๆทื่อๆ อ, อ, อันนี้อยู่แต่จิตจะรวมอย่างสบายนุ่มนวล น, นะไม่ใช่รวมแบบแข็งๆเนี่ยหลวง <c oughs> พ่อทำหน้าให้ดูนะ <c oughs> จิตจะไปตรึงไว้อย่างเงี้ยตรึงมันไม่มีความสุข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 ทำอะไรล่ะหนูไปทำอะไรก็ดูอะค่ะอืมดูอะไรล่ะเห็นอะไรบ้างวันวันหนึ่งเห็นทีเลสไหมเห็นน้อยค่ะแล้วแล้วหนูเห็นอะไรมันก็คิดค่ะเออถ้างั้นเราคิดบ่อยวันวันหนึ่งคิดเยอะดูออกไหมงั้นให้กันบ้านต่อเปนี้ถ้าใจหลงไปคิดนะให้รู้ว่าใจเราแอบไปคิดแล้วไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ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 งั้นต้องฝึกแต่อายุยังน้อยหลวงพ่อโมทนานะดีละฝึกไว้แต่เด็กๆอ้าวว่าไงสการเช้คะ่ะพอดีได้ไปที่กราบหลวงพ่อคําเขียนที่วัดป่าสุขโตใชะคะ่ค่ะแล้วก็กลับมารู้สึกว่าสติเกิดเกิดบ่อยมากตอนนอนทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งคะนอนแล้วก็พอสติเกิดพอรู้สึกตัวก็จะเห็นเหมือนแสงสว่าง อยู่ข้างหน้าก็ตามดูเขากระดับแล้วเขาก็สว่างอีกรอบหนึ่งก็ตามดูอีก อ, อ, อ, อย่าไปดูแสงสว่างนะให้ดูใจของเราเช่นมันสว่างขึ้นมาใจเราสงสัยว่าอะไรนะรู้ว่าสงสัยเราเกิดมีความสุขเกิดดีใจรู้ว่าดีใจให้ดูที่ใจเรานะค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะประคองน้อยลงไหมคะดีดีขึ้นแล้วหลวงพ่อคำเขียนเป็นพระแท้นะหลวงพ่อคเขียนเป็นพระที่หายาก ระดับนี้มีไม่กี่วงหรอกมีโอกาสได้กราบได้ไหว้ก็บุญหลายแล้วถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมของท่านธรรมของท่านจะเรื่องสติเนี่ยวันนั้นเคยไปเยี่ยมท่านจีนนั้นหมอคำพลอยู่ด้วยนะั้นท่านก็พูดแต่เรื่องสติเนี่ยใจหนีแวบไปแล้วเห็นไหมค่ะ <Yeah. S 2> รู้สึกรู้สึกว่าจะจับว่าหนีได้บ่อยขึ้นดีอยังเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดถึงว่าตอนเด็กๆ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 เนี่ยเราดูตัวเองช่วงไหนสติเกตดบ่อยเราก็ต้องฉกเวยเวลานั้นให้มากหน่อยงานอื่นที่จะมาแย่งเวลาช่วงนี้ก็พยายามปัดปัดออกไปอย่างหลวงพ่อสมัยหัดภาวนานะหลวงพ่อพบว่าสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนี่เป็นเวลาที่ภาวนาดีจิตใจจะภาวนาดีแต่หลังมาพิจารณาว่าทําไมต้องสี่โมงเย็นมเลิกงาน4ี่โมงครึ่งพอเริ่มสี่มงเย็นนะเริ่มรีแลกซ์ละ หาจิตใจผ่อนคลายแล้วมันดูง่ายจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนรู้ตัวได้ตลอดเลยงั้นใครจะมาชวนทำอะไรตอนเย็นนะจะไม่แค่อยุ่งด้วยเงาอเสียเวลานาทีทองประจาวันของเราอีกนิดนึงนะคะหลวงพ่อพอดีไปได้นอนที่ของอ า, อาจารย์กำพลบุญนุ่มแล้วก็ลอาจารย์หมอกาพลเพิ่งจะออกไปพอดีว่าตัวเองเหมือนมีปิติที่ได้ไป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 แทนที่จะมาให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันทางปฏิบัติรัดสั้นที่สุดหยุดแค่นิ่มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปก็อชอบอ้อมๆไปนะให้นั่งให้เคลิมเคริมก่อนนั่งไปดูอันโ น, น้นไปดูอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยนะโอ้อ้อมคร้อมบางคนอ้อมแล้วกลับบ้านไม่ได้เลย <c oughs> ดีแล้วจิตดีขึ้นเยอะนะแต่ก่อนยังภาวนามไม่เป็น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 พอรั้วคิดมันก็เปลี่ยนเรื่องคิดเปลีป่ยนๆจนรู้สึกหงุดหงิดนะคะออพอหงุดหงิดปุ๊บคือช่วงหลังอะพอพอแต่ก่อนคือรู้สึกว่ารู้สึกอะไรก็แค่รู้สึกแต่พอช่วงหลังมันรู้สึกบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มภาคอะค่ะแล้วมันภาคแล้ว ม, ลมันก็จะเริ่มสงสัยเฮ้ภาคทําไมมาภาคอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก็ก็จะหงุดหงิดอีกเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าทําผิดไปอีกแล้วหรือเปล่าะค่ะไม่ผิดหรอกนะถ้าอะไรเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเราก็ตามรู้ตามเห็นไป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 ท ำ, ทำไมเรายัางติดเพง่เพงอยู่เยอะเลยอะคะแล้วมันก็จะหนักๆแล้วปวดหัวบาง<ช>ครัพอมันมองไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเพ่งอีกละล้วพอหลังจากรู้สึกจะปวดหัวแล้ว น, นักปฏิบัติเกือบร้อยละ ร, ร้อยคือนักเพ่งนะอันนี้เขารู้กันมาตั้งพันปีกว่าแล้วมันอยู่ในคัมภี์อัตถกถาคัมภีชั้นอัตถกถาสอนไว้เลย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 ไม่สแสวงหาก็ไม่เจอเนี่ยนี่พราะเรามีบุญของเราเราสนใจเราสแสวงหาสแสวงหาแล้วมีบุญหนุนหลังเราเจอเนี่ยลราก็ภาวนาอีกลูกศิษย์คุณดันใยหรือ <c oughs> ดีลวหัดดูไปหัดรู้สึกแต่อย่าไปกำหนดนะกำหนดไม่ใช่คำสอนที่พู้เจ้าสอนอ้าใครจะยกมือคนต่อไป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 เหมือนตัวเองจะพยายามจะไม่ทําเพื่อไม่ให้มันตอนนี้ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้ครอคะออหนูไม่ค่อยรู้รู้ตัวแล้วก็ไม่ต้องรู้ก็ <ๆ S 1> ได้ฝึกโง่ๆไปอ่ะมันมันมันเหมือนตอนนี้เหมือนเหมือนกลับไปมากกว่านับหนึ่งอ่ะมันไ ป, นปนทําอะไรละ่ะมันมันเหมือนกับเหมือนตอนที่มาฟังหลวงพ่อครับแล้วก็พยายามจะมีสติรู้ตามดูแต่ทุกนี้แบบไม่ ไม่พยายามแล้วก็รู้ก็รู้ก็ช่างแล้วก็นี่มันมันแบบคิดอะค่ะว่าหลงไปหรือเปล่าอย่าหรือเปล่าอะไรก็รู้ลงปัจจุบันว่ามันคิดที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้ล่ว<อ>ดูไปเรื่อยๆสังเกตไม่ใจเราเบาละรู้สึกค่ะว่ารู้สึกั้ยสติเราเร็วด้วยอะไรแปลกปลอมในกายในใจมันรู้เองเป็นบางครั้งนะแต่เราจะไม่ได้ไปนั่งเพ่งเอาไว้ค่ะต่อตบางทีถ้า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 แต่ว่าต้องถือสีห้าไว้ก่อนพยายามแล้วหลังๆผิดสีจะมีอะไรโทษโดยฉับโดยที่เราไม่กทำอะไรผิดคือถ้าเราภาวนามากๆนะแล้วเราต้องผิดสีเนี่ยนะเราตกนรกทันทีเลยคือใจเราเนี่ยจะร้อนจี๋ขึ้นมาให้ดูเลยนะบางคนมีจุดสว่างว่าเพิ่มมาเหมือนสปาร์คขึ้นมาเลย น, ะนี่ธรรมะช่วยเรานะ เพวยให้ตกนรกสะก่อนที่จะต้องไปตกจริงจริงเสร็จแล้วเราจะขยันเลยไม่กล้าทำชั่วนิดนึงคือสึกว่าพอหลังๆจะหมดทช่เยอะนใ น, ในโลก <c oughs> เด็กๆก็อยากอยากจะอยากจะเหมือนกับว่างานเก่งๆนะวันนาถึงอ๋อไม่มีฐานฐานหมด <c oughs> เดี๋ยววันนี้ สิบโมงนะหลวงพ่อต้องไปกรุงเทพเรามีอะไรจะคุยก็คุยลนตอนนี้จริจริงการภาวนาไม่ยากนี่ระหว่างการเปลี่ยนฐาน <c oughs> <c oughs> ต้องพูดเลยเพราะเวลาหมดแล้วหมดเลยเป็นทรัพยากรที่หมดแล้วหมดเลยนะ <c oughs> เวลารีไซเคิลไม่ได้ <c oughs> ว่าไง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 งูเงียเ้ยวเชี่ยวขอดูไงก็ไม่สวยเข้ามาในเมืองเจอสาวราคามันแรงเก็บกดมานานราคาแรงจะมาดูจิตที่มีราคาหรือมาดูกายดูอะไรตัวเองสู้ไม่ไหวก็ต้องพิจารณาสุภาษพิจารณาสาวจับมันลอกเป็นชั้นๆ น, นะแต่สาวมันไม่รู้นะว่าเราแอบทําอะไรนดึงผมมันออกมาจนหัวเกลียนเกลียนนี่ลอกหนังหัวมันดูเข้าไปเป็นชั้นๆ น, น, นะ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 ดีทางสมสถะอีกแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่ชอบอกุศลเราชอบกุศล น, นะรักอันนึงเกลียดอันนึงจะเอาอันหนึง่งจะผลักอันหนึง่งนะวิปัสสนาจะไม่เป็นอย่างนั้นวิปัสสนาจะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรักนะโค่นละอันกันอาเอาใช้ไหม้หน่อยใช้ไหม้หน่อยพระอุตส่าห์ส่งให้ละขอขอขอไปครับ ก็กั้นก็แสดงว่าเราให้เรารู้อย่างเดียวใช่ไหมครับว่าว่าความคิดนั้นเป็นอกุศลคือคือดูดูรู้ไปเท่านั้นพอไม่ต้องไปพัฒนาดใจที่ทําวิปัสสนาได้ทําวิปัสสนาครับทําวิปัสสนาไม่ได้ทําสมถะครับทําสมถะไม่ได้เอาศีรักษาตัวเองไว้ก่อนครับก็ใช้หลักนี้นะคงั้นไม่ไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นมาพิจารณาคิดลูกเดียว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 ในขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตามรู้กายตามรู้ใจแล้วก็จะเห็นว่าเป็นอนัตตาอะคืนไม่ไปอา้าวส่งกันบ้านต่อเมื่อกี้อุตสาห์ความใหม่ไว้ได้แล้วอุตสาหเปลี่ยนทนันคืนหนูแค่อย า, ากจะถามพ่อว่าหลังๆนี้หนูมหมดความทยะยานในการทํางานขื้นเหมือนกับไม่โตก็ได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่โตก็ได้นะแต่ต้องโต คือชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่ขี้เกียจนะพวกเรามักจะคิดว่าโมทีฟมีเฉพาะอากุศลเราคิดว่ากิเลสเท่านั้นคือโมทีฟที่จริงสิ่งที่ดีๆนะัก็เป็นโมทีฟได้ชาวพุทธจริงๆไม่จำเป็นต้องจนนะไม่จำเป็นต้องปอนด้วยนะในสมัยพุทธกาลชาวพุทธเป็นเศรษฐีตั้งเยอะไนงะเศรษฐีก็เป็นได้นะไม่จำเป็นต้องแกล้งจนนะ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 แต่ว่าเมื่อทําสุดขีดแล้วได้ผลแค่ไหนนะยอมรับในผลนั้นนั้นชัวเราทําบริษัทค้าขายต้องกะว่าตั้งเป้าไว้ต้องได้พันล้านเนี่ยมันได้สิบล้านน่ยสุดฝีมือแล้วนะมันได้แค่เนี้ยก็พอใจละภูมิใจในสิบล้านนี้แลกมาด้วยน้ําพักน้ําแรงนี่ภูมิใจนะผลงานไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามตัวเองด้วยงันสันโดษสันโดษในในผลนะไม่ใช่สันโดษในเหตุ เหตุต้องขยันชี้เกียรตเป็นกิเลสเห็นไหมกิเลสหน้าตามันสวยนะอา้าวใครจะยกมือคนต่อไปใครที่ยกแล้วก็เหยีบเพิ่งยกบ่อยนะบางคนมันยกไวมากเลยยกป๊บป๊บป๊บนะคนอื่นไม่ได้ยกกลาบนมรสกกา ร, การหลวงพ่อเจ้าค่ ะ, ะลูกอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะสิ่งที่แบบยังผิดที่ลูกคนรไปดู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 อย่างของคุณนี่ก็ตื่นขึ้นมาแต่ตอนนี้หลงไปแล้วเจ้าค่านะหลวงพ่อเจ้าค่ะรบกวนสอบถามนอกนอกนิดนึงเจ้าค่ะคืออยากถามว่าอย่างคําว่าคําว่าพัทธลกัพกับคําว่ามหากษัพเจ้าค่ะกับที่บอกว่าในพัทธลกัพนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ย ห, หมายหมายถึงยังไงเจ้าค่ะคือกลับมีหลายอันนะมีมีมหากษัพมหากษัพเนี่ยเป็นคาบของเวลาที่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกไป มหากราบอันไหนที่มีพระพุทธเจ้าเกิดเรียกพัทธรักกับมหากรับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดเรียกอันตรรกับมีกรับอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอายุกราบอายุกรับนี่ก็คืออายุเฉลี่ยของคนในยุคนั้นอย่างอายุกราบของคนเดียวนี้75ปีงั้นพวกเราเนี่ยถ้า75ปีเรียกว่าหมดอายุแล้วนะ ถ้าอยู่เกินนั้นก็แสดงว่าบุญรักษาไว้แล้วหรือไม่ก็อาคุสนรักษาไว้ไม่ตายซะทีนะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะอ่านประวัติพระพุทธเจ้าพุทธประวัตินะโกรธพระอนนท์มากเลยทำไมทาไมไม่อาราธนาให้พระพุทธเจ้าอยู่กับหนึ่งนะพระพุทธเจ้าจะได้อยู่มาถึงวันนี้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 เห็นกิเลสไหมวันวันหนึ่งเห็นเยอะไหมก็เห็นบ้างเห็นค่ะแล้วยิ่งเห็นบ่อยยิ่งดีนะค่ะเพราะงั้นเราคอยรู้ไปถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ไปเรื่อยๆแล้วใช่ได้ละค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งเห็นสองครั้งสามครั้งก็น้อยไปแล้วเห็นบ่อยๆแต่ว่าเวลาโกรธจะจะรู้สึกว่าเห็นเห็นกิเลสเวลาโกรธดูง่ายที่สุดนะโทสะเป็นกิเลสที่หยาบที่สุดเพราะงั้นดูง่ายที่สุด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 ไหลแวบไปนิดนึงค่ะเออนั่นแหละนิดนึงหลวงพ่อบอกเร็วไงเลยนิดนึงถ้าบอกช้ามันคงนานกว่านั้นนะแต่บางอันก็เห็นบางอันก็ไม่เห็นเ อ, อไม่ <ลง S 1> เป็นไร เ, เห็นเท่าที่เห็นได้ต่อไปสติจิตมันจําสภาวะได้แม่นจําได้ว่าหลงเป็นยังไงนะพอหลงปั๊บนั้นสติเกิดเองเลยเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ตอนนี้ที่หลวงพ่อบอกว่ามันลุกลี้ลุกลวนเพราะว่ามันวับวัวับมันก็เลยไม่เห็นจริงใช่ไหมคะใช่ใช่ แล้้วตองทําใจให้สบายสบายก่อนไอ้อย่างนั้นไม่เรียกทําใจสบายอย่างนั้นเรียอบังคับใจให้นิ่งทําใจสบา ย, บายต้องอย่างงี้นี่ทําเป็นไหมเ <c oughs> นี่ยใจสบายสบายแล้วก็ค่อยรู้สึกเอานะต้องสบายนะถ้าใจแข็งกระด้างทื่อๆจะไปดูอะไรออกอ่ะว่าไปนี่ยกมือ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 ที่เรียกว่าเทวบุตรตมานคือจิตของเรานี่เองจิตที่จะลากตัวเองลงต่ำนี่เลิกเถอะเลิกเคะ<ยว>ถอยเถอะเอาตัวรอดเถอะเอาพิสังขารมานคือความคิดปลุงของเราเองคิดในทางอย่าบัทอรตัวเองคิดในทางล้างผลันคุณงามความดีของตัวเองกิเลสมานนะกิเลสทั้งหลายจะหลอกลอ่อเรานะให้เลิกการปฏิบัติให้ลุกซะเถอะ อย่านั่งต่อไปเลยนั่งต่อไปถ้าไม่บ้าก็ตายให้หนีสเสถอะแล้วอยู่กลับไปอยู่กับโลกเขาอย่างมีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกถ้าเทียบกับสมัยโบราณก็บอกไปเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเถอะอย่าเป็นข้ารหันรเลยขันธมาร น, นี่นะจิตเนี่ยแปรสภาพเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยทุกทุกไม่มีอะไรเหมือนเลย มัจจุมาเนี่ยเหมือนกับความตายมารอยอยู่ข้างหน้าแนละ้วถ้าไม่ถอนออกจากอานนะนี้ไม่ลุกจากอานนะนี้นะไม่บ้าก็ตายในขณะนั้นนะไม่มีใครช่วยเราได้แล้วเหลือตัวคนเดียวล้วนๆเลยบารมีทั้งหลายที่เคยศึกษาอบรมฝึกฝนมาเนี้ยมาช่วยเรายกตัวอย่างนะทานบารมีอย่าดูถูกนะทานบารมีกล้าสละกล้าสละได้ถึงชีวิตนะ กล้าไหมกล้าสละชีวิตนั่งต่อไปนี่ตายแน่ๆเลยแล้วก็ไม่บรรลุอะไรด้วยแต่ตายแงนะ่แง่กล้าสละชีวิตนี้ไหมหรือยังหวงแหนชีวิตนี้อยู่เห็น ไ, ไหมต้องฝึกนะฝึกทานะบารมีจนเข้มงวดเลยถึงขนาดกล้าสละตัวเองได้เลยนาที่สุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาติมันถึงจะกล้าทิ้งขันติมีไหมขันติบารมีอดทโนโอดกลั้นต่อความทุกข์ที่ประดังขึ้นมาบีบคั้นจิต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 ไม่ใช่ไปขายบ้านมาทําบุญนะโง่สุดเลยนะขายบ้านมาทําบุญในะตอนขายบ้านก็พลื้มนะตอนเอาเงินไปทําบุญก็พลืม้มพอเสร็จแล้วไม่มีบ้านจะอยู่กลับมาสามีเตะซะอีกะจิตใจห่อเหี่ยวกูศลชนิดนี้ไม่สมบูรณ์เลยกูศนชนิดนี้ไม่เบิกบานในสามการก่อนทําระหว่างทําและหลังทํากูศลชนิดนี้กลับพร่องกระแพง่งถ้ากูศลชนิดนี้ให้ผลที่จะไปเกิดนะ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 ยังหมอรักษาคนไข้นะหมอส่วนมากงานเยอะใช่ไหมเห็นหน้าคนไข่มองหน้าปุ๊บสั่งยาละะมีนะหลวงพ่อเคยเห็นตามโรงพยาบาลมองหน้าปุ๊บโหหมอนี้มันมีอภินญานมองหน้าปุ๊บสั่งยาละซังซังซๆคนไข้รับมามารอตั้งครึ่งวันนะเจอหมอ น, นไม่ถึงนาทีนะยกมือไหว้หมอหมอก็ส่งใบสั่งยามาให้ไหว้ อ, อีกทีหนึ่งไปรอยาอีกชั่วโมง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 การช่วยเหลือกิจการที่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างพวกเนี้ยไปช่วยกันที่วัดอินจะไปช่วยอบรมกรรมฐานที่วัดอินแล้วก็เป็นบุญนะแต่ช่วยกันปล้นไม่เป็นบุญนะต้องช่วยดีๆเห็นไหมบุญเยอะนะมีเยอะเอาวันนี้ได้แค่นี้นะหลวงพ่อมีเวลาขอคุยกับพระสิบนาทีห้ามโยมยุ่งกับหลวงพ่อเพราะสิบโมงหลวงพ่อต้องไปละ